ไมลินาปัญหาของกรมศิลปากรมมลินทาปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวัชสัพพัญญุภาวะปัญหาที่สองถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูสารพัดรู้นั้นจริงหรือพันเตนาคเสนพุทโธสัพพัญญุติ อามะมหาราชะภะควาส พ, พันยูจะภัควาโตสตตังยาณทัศนังปัจจุปัติตังอาวัชนะปฏิพัทังภะควาโตส พ, พันยูตะญานางังอาวชิตตวายทิชิกังชาณาตีติพระเจ้ามิลินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสณะ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 ตีนะอาปบายามีอาบายภูมิละเสียเป็นอันดีคือพระโสดาทั้งหลายนี้มิได้เกิดในอาบายด้วยเหตุพระโสดาทั้งหลายละเสียซึ่งบาปธรรมทั้งหลายสามคือสากายยทิฏฐิวิจิกิจชาสิลพะตะปรามาตทิฏฐิ ป, ปัตตามีปกติเห็นเที่ยงในพระจตุราริยสัต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 รกชัดอยู่ด้วยกิเลสเบื้องบนมิได้ขาดจากสันดานเปรียบานหนุดหนึ่งว่าลำไม้ไผ่มีแขนงข้างต้นสามปล้องนั้นบริสุทธิ์ปล่าจากแขนงน้ำบุคคลตัดชักลงมาก็ครองอยู่สามปล้องเท่านั้นครั้นถึงเบื้องบนก็รกปกคลุมหุ้มห่อขัดอยู่หาลงไม้นี่แหละเปรียบในจิตคำรบสองและจิตเป็นคำรบสามนั้น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 ประกอบด้วยอัทธารสษะพุทธธรรมส8ปประการอัน An ันตยาณะชิโนผจนพลมานจะนับไม่ได้อันันตยาโนมีพระญาณจะนับไม่ได้มีจิตเบาประวัติว่องไวเป็นเหตุชไห น, นสัพพะทะบริสุทธตาเหตุว่าบริสุทธผ่องใสไปสิน้นไม่มีมนทินข้องขัดอยู่มหาราชะ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 ใช่คนมั่งมีเป็นคนจนคนอนาถาหรือจะว่ากระไรนะบอ่อผิดพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะว่าบุรุษผู้นั้นเป็นคนอนาถาหามิได้แต่ในพระราชนิเวศบ ร, รมมาจากทีเดียวถ้าผิดเวลาแล้วจะได้มีข้าวสุขหามิได้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 พระองค์เจ้าก็เป็นพระสัพพันธ์อยู่เจ้าจะไม่เป็นพระสัพพันธ์อยู่หาไม่ได้ขอถวายพระพรอนหนึ่งเล่าดุรานะบพิษพระราชสมผานปานพระหนึ่งพระเจ้าบรมจากรพัดส่งพระดำริถึงจั ก, กรัตนะจั ก, กรัตนะนั้นก็มาถึงเร็วพลันชันใดก็ดีสมเด็จพระบรมโลกหน้าเจ้าก็เหมือนกัน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 พุทธะภควโตสัพพันยูภาวะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้